ทำเชื่อได้ดีอย่างนั้นใจมันต้องสุขมีมันในสุขให้เพียงทำดีในโดยดีนั้นขาเองยังไม่เคยทาความดีเพื่อที่ทาความดีลงไปพระพุทเจ้าสวอดีสาวกของพระพุทธเจ้ากวีดีฤรธาจ่าพระสงฆ์เองที่ทำรักษาอัดทำขันสองของพระพุทธเจ้าแล้วตั้งใจละเชื่อบำเพ็ญดีทำมีความสุข เป็นเสอบแทนเครืองอาวุธภายนอกจะไม่สมบูรเหมือนธรชาตเขาติดตามใจใจท่องทันผ่องใสใจท่องทันเยือกเย็นนี่ความสุขคือดินกุศลเป็นเจ้าหน้าที่เพรพวกเราทุกคนควรแสวงหาเพราะถ้าเราเป็นสุขใจของเราเป็นดินเป็นกุศลได้อะไรมา ก็เป็นคั้งดีทองดีมีคุณค่ายินอะไรก็ะอะร่อยอรยเพราะใจของเราเยียดใจของเราเย็นใจของเราเป็นอัดเป็นาำถึงอาหารการรับทานจะหนากหน่ายรสชาติจะดี ย, ย, ยิ่งใหขนาดไหนแต่เท่าไหรใจของเราเดือดร้อนใจของเราเป็นคลกอาหารนั้นใ น, านา่ใา่นี่ยที่จะมีรสชาติ ต่อร่างกายของเราได้ที่อยู่ที่อาศัยใจใหญ่โตเราหัวแทนอ่อนเนื้อเนีอนขนาดไหนนอนก็ไม่เป็นสุกข้านี่คือใจเป็นทุกขใจคนบ้าหาความสุกความสบายไหนได้ทำจริงให้ละให้เว้นทาชั่วความเสียต่างๆทาจุดทาใจทั้งตนให้สงบให้เป็นสุขอยู่ในความเขของ อัดคำคาสอนของพระพุทธเจ้าหากคือใดตัางหน้าต่างตาปฏิบัติปฏิบัติรักษาเป็นงานความดีที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ว่าเป็นดินนั้นจะเห็นจะเป็นในจิตในใจทังตนไม่ใช่ว่าทํำคำสั่งสอนเรื่องการผ่านเวลามาสั่งสอนคำเหรกว่าปีไม่มีอะไรที่จะเหลือหรอความดีความชั่ว หมดไปตามกาล ต, ต, ตามสมัยไม่เป็นอย่างนั้นทำตอนพระผู้ใจเจ้าเราเคยสวดกันว่าอาคาลิโกเพือหน่งมีตามมีเวลาเวลาพระผู้ ใ, ใจเจ้าจะเพ่งพระตนดูหรือว่าพระผู้ใจเจ้าจะไปริษยาพานไปทำนั้นยังคง่งคงวางเหมือนเดิมเป็นอาคาลิโกเพือหน่งมีตามอย่อย่างนั้นใครทําเชื่อคนนั้นจะไดรับทุก ใครทําดีคนนั้นจะได้ความสุขนี่เป็นความจริงจะพิสูจน์ในปัจจุบันท่านตาก็พอเห็นได้ใครว่าทำดีในดีนดี ท, าทําชัา่วในชั่วลองดูดียวนี้ก็คงจะพอมีพยายามคงจะเห็นซ้ำลุกขึ้นเตะคนนั้นตีคนนี้เขาจะตอบมาแบบไหนเขาจะยกมือไหว่ดีเยอะเกินคุณนาดีเยอะเกินทัน้งอย่างนั้นอย่างนี้มั้ย ไปสถานที่ได้เจอใครเท่าก็ด่าเขาเจอใครเท้าก็ตีเขาคนอย่างนั้นเป็นคนดีคนดีเสียดนะเหลกนิยมชมชอบไหมห้าวว่าทาเชื่อไม่ได้เชื่อคนที่ทําชื่อไปอย่างนั้นเห็นเขาะด่าเขาเห็นเขาจะตีเขาเขาจะเอาเข่าของเงินทองมาบูชา เขาเกิดสัตว์ละเดี๋ยวาอานุธต่างๆตาบานนับถือพาเขาถือว่าคนดีคนู้เิดในาทางความช่วนี่ในจนดอย่างนั้นไม่นีใคเขาเห็นยอมยออบกันไปด่าเข า, ขาก็ก็ด่าตอไปางทีใชท้งดตีตอบความชื่อยังเห็นประจักษปะจักษชัดเจนอยู่ในขณะความชื่อมันเสียไปทำ ค, ความดีเล่า คาดีนั้นกะยังให้ผลผลใจจักรในตายในใจทั้งตนส่งพระเจ้าพระสงฆ์ตามประพฤติปฏบัตตามอานตามทำทำโดยจะทำไรใช้เงาข้าวสายที่ไหน่ตจะนีที่เรื่ยนใสตัดขาดในส่งสัตดาาในให้พระการรักษาผประพฤติทำในตะเปนที่เชี่ยวที่ต่าเราทุกคนจึงจะผลใจจะ ข้อพิภพที่บาติไรเชื่อดำนต็มดีเราอย่งเยี่ยนมากใจเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารที่มีปัญหาอย่างนาพาจิตใจของเราอยู่อย่าไปประมาดเมื่ อ, มอเมายืดเรื่องขวัญขวายทำเพื่อความดีเทวคนขึ้นไปเพราะความดีนั้นจะเป็นเพื่อนสนิทติดกับใจของเราความดีมีอยู่ในใจของเราไมาด่ดีหายไปที่อื่น เราล้วล่นขึ้นเหนือใดความดีแจ่จะตากดใ น, าในใจในใจของเราเหนือ น, นั้นความเชื่อก็เนียนกันจิดต่อให้ตามไปทุกวันทุกเวลาจะเข้าป่าขึ้นเขาเรื่องนี้ขึ้นขึ้นบิน้วเรือไปที่ไหนถ้ทาทำเทื่อแล้วทำเที่อกว่าจิตต่อให้ตามตามัว้องเราไปไม่ใช่ว่าจะหนีทำเชื่อไปบ้าง พระพุทเจ้าหรือู้รือผัวไปท่านจึงสอนว่าคนเรามีตามเป็นของขงตนมีตามเป็นผู้ให้ผลตามผู้ตนตัดทามันเป็นลงไปอยู่ตายจายใจนั่นจะให้ผลแต่เป็นอย่างนั้นจังนั้นขอตื้อตั่งเป็นงานใจที่นิานศกษาทางเคือผูพระพุทธเจ้าท่านอย่าอปตัดทาอย่าไปสาข์ูนอย่าไปคิดว่าการจะหายเวลานี้ ความเชื่ทอทันปลาย้นผลความดีทันปลายนผลอย่าไปไนึกคิดในจิตอย่างนั้นถ้าคิดไปอย่างนั้นจะไม่มีางจะดความสาบายให้เข้าใจหลนจะผลุนผลันเข้าปากเยอะเกืวบเกือบหายนหลักโนตอหรือเจือสลายต่างๆเพราะตายต่อไป ถัดไปตามถนนมาปอดภัพระบุทเจ้าถ้าเอามือพยานรูกศับรีเชื่อผิดผิดขนาดชัดเจนยื่นตัว่ชื่อเรานั่นคืออไรนะสอนเรืเราคือเมือกบดใี้มีแสงสว่างจิตตาอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นดีอันนี้เชื่ออะไรจะเชื่อตาม่เหลธปัญหา ทั้งตัวแล้วความทำเชื่อมันก็ง่ายกว่าการทำดีเพราะถือว่าความชั่วนั้นมันทำง่ายสำหรับคนชื่อแต่การทำดีคนชื่อทำได้ยากแต่คนดีทำเชื่ อ, อยากเหมือนกันกับคนชั่วทำดียากเพราะจะไปทำเชื่อเขามีสติเขามีปัญญา ที่นี่พิจายณาแล้วความเชื่อจะเปน้มจากตัวของรเราเราทําชื่อเหนืออะไราจใจของเราก็จะเชื่อคนอื่นมาเห็นตัวของตัวเองก็เห็นความชั่วที่เหนือเชื่อแต่ทำบเพ็ญทเหนือเชแต่ต้องความชั่อนั้นต้อ้องหน้า้งหมิ่นถูเชื่อถูกหน้าถูกนี้ถูกตัวยถูไหนก็มาเตกให้จากนั้น ความเชื่อไม่ว่าจะทําไปเดืตายเดือดวายจะเดือดใจจึงเหคุเพียงจะทำอย่างยิ่งเพราะความเชื่อเป็นของสิ่งหนิมใเหวนเขาก็ตตำหนิยินทาไม่อยากเข้าโจษหนาสนาคมเพราะคนหนิมคนมิจึงนะความดีเล่าเป็นของห่ตัว่องตัวเองตัวหนึ่งตหนิตัวเองคนอื่นเห็นก็ชอบจิตติดใจ เพาะความดีที่มีอยู่ทำให้คนทั่วไปสังเอนยืนยอว่าดีอย่างนั้นเติบโตอย่างนี้มีตัวความดีเพียงแต่ทำบาเพ็ญเมื่อ ม, ม, มีความดีความเชื่ออยู่ในจิตในใจอย่างเรียนหนาว่าดีเมื่อ ใ, ใดความดีความเชื่อที่ทำลงไปจะให้ผลแก่บุคคล น, นั้นนี้จึงว่า เราอยากจะไปเผื่อผีไหนไปได้หหาตามอำเภอใจของเราถ้าเป็นอย่างนั้นทุกคนที่เอเนีย่ยคนเหนียนกันหมดมนนี้บุคคลผู้ใดผี่จะอดยาวยากจนในนี้บุคคลผู้ใดผีจะมีโรคไข้ไข้หนาวเพราะคัามอดยายากจนโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆมนนี้ใครตาดถ น, นาแต่เผื่อใด ย, ย, อย่ายเล่าเรื่องเหล่านี้จะมีผีแตกแต ก, กต่างกันบางท่านบางคนเกิดขึ้นมา แถลงหาอะไรก็ไหนว่าในศพจังหวะให้เกิดพฤกษ์ขวัใจอยู่ตลอดเวลาจนกระทั sixty, zwei, ่งวันตายนี่มีอะไรที่จะจนตอบัดพสถานให้จนทั <im ples rainbow> ้งปะเตรียมยาจนั้งต้อบัดพสถานบ้านช่องนอนตามสนน้องท่าข่าหนึ่งขาเห่งก่อหกระกเนี่กรกตัวก่หาย แตบางคนเรามันมีขเข้าขงเงินทองหรือบางตายไหนใ่จะมีโรคไข้ไข้หนาวยเีางตายเสือสดามไม่ดืเลบางคนเกิดขึ้นมาตังมีบาไม่ตาถนไม่อยากห้าตก่งเ้หตเยวเี้ยตาาบอดส้บางคนมเดืหน้าเโรคไข้ ให้เก็บปิดมาตั้งแต่กำเนิดอายุกี่หนึอเอ่เย็นยองหรือเยิน ม, ม, ม, มาได้ก็มีความผิดความสบายให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดมาเพราะอะไรถ้าไม่เกิดมาเพราะความของคนเพราะทุกคนป่าเถื่นดีอยากได้ดีแต่เขาเม่ได้ทดีเอาไว้ตามเชือ่อคืเขาทําไว้นั้นให้ผลเสีเขาเขาจึงเป็นอย่างนั้นนั่นก็คือในปาถนา แกก็มีมะนะแกไขไม่ได้พิน ท, ที่เกิดขึ้นจากกรรมแกไขในได้เนตาบอดมาใจก็เนิดก็ไม่มีทางที่จะรักษาขาเดือนแขนเรื่ น, น, น, ะะะนจะมีอวัยวะอะไรเหมือนคนรถยนต์รถไฟิสียมาประกอบใหม่ได้เป็นอย่างไรจะเป็นไปอย่างนั้นตั้งแต่วังเกิดกระทั่งวันตายนี่คือกรรให้ผลแกบุคคล ถ้าท่ตนนี่ยปราถนาจะทาไว้ตามนั้นจะให้ผลามดีคือทไว้กวามานให้ผลเดินบันดาลมีความสุขถึงเกิดอยู่ด้านนอกขอบเีากว่ามีสติปัญญาเป็นผู้ดีดีเสร็จกว่าพักเพื่อนถูงได้อยู่ดีความดีคนทีมีความดีคนที่มีความดีไปอยู่สถานที่ใด เกิดในสถานที่ใดจะมีความสุกคนอื่นก็ผูกทางอาศัยได้เพราะความดีนั้นใครๆก็ปาฏถหาะความเชื่อมันมีใครปาฏถนาที่จะหยุดยกให้คนอื่นเขาก็ไม่รับเอาสิ่นความชื่อความเน่าความเหนต่างๆจะเอาให้ใครใครก็ไม่ปาฏถนาเพราะเขาคิดว่าเป็นของถื่อในดีแต่ความดีอุปถัมภ์ใ้ใครก็้า้ ใช้โอกาสเนาให้ออกไปเรื่องเรน่องความดีความชั่วเรื่องเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเราทุกคนควรสนใจควรพิจิตริจาราเรามีโอกาสเวลาคือเรายังมีชีวิตอยู่อีสานพยายามสะสมคุณงามความดีไปไม่ใช่ว่าตายไปแล้วจะให้พระมาบังกมบคุณ์จุฬาหา เาไปไปสลังคนี่กามไปเองไม่เป็นอย่างนั้นทวามจริงเราต้องทำเอาเองทำเอาเสียแต่เมื่อยังไม่ตายนี่าหะอยากจะเป็นคนเรียก้นบติในช่หน้าต่อไปตอรืดเด้งต่อปวยจะทำบาเพ็ญทานบารมีเพืปลูกฝังทางทางเอาไว้เหมือนกันกับคนที่ปลูกฝังพื่ผลต่าง ส่วนชานาพขาทำนาถึงแม้ว่าจะทุกข์ยากลำบากหลังสืฟ้าหน้าสื่อดินฝนตกก็ไม่ได้เข้าร่มแดดออกก็ไม่ได้เข้ากอยาหน้าทำดีอย่างนั้นแต่เขาต้องหวังผนว่าเขาทาลงไปแล้วข้าวในนาของเขาจะเป็นของเขาเองในใจที่ดินที่เราไปตัดไปดันนั้น มันจะเอาไปกินเราเอวงเป็นเจ้าของที่จะไปมาเก็บเกี่ยวนำไปใส่ยุงใส่ฉางข้างเตื๋เมื่อบริโภคก็ง่ายหายก็สะดวกท้ามันมีแล้วนี่คนทำบุญสืบทานก็ทำนองเดียวกันถึงจะยุ่งยากลำบากก็ขวัญขวยก็ทําำลำเทินไต่เพรเราปลูกฝังเอาไว้ ผล น, นั้นจะเปิดให้แก่ตัวของตัวคนดีคนเชื่อพระอนาจสิงเหล่านี้ไม่ใช่ว่ามันดีมันเชื่อเด็กเดอื่นแลระทุกคนม่งหลังตั้งหน้าอยากจะเป็นคนร่ำคนรวยคนเฉยคนงามทางนั้นแต่เพราะว่ามันเป็นไปในบ้านทันทีว่าไล่ทับอับปัญญาคือทัพก์มบัติมันก็ไม่มีปัญญาผู้จะคิด คนแสวงหามันโก็ธมีมันอดมันจนไปทุกสิ่ทุกอย่างนี่คือคนอาภาพอับบาดเจ็นะก็อย่มีบุญมีกุศลคนที่ในในทําคุณงานความดีมากกว่ามันปิดบังเอาไว้ทุกช่องทางหากคนมีบุญมีกุศลถึงจะอาภาพอับจนหนึ่งตนแต่ก็มีปัญญาสามารถที่จะขึ้นฟื้ตนใหู้ีให้รู้เสื่อมได เพราะสมีป mm ัญญามีสมบัติทุกคนเกิดมาเหน่อยหบหือหอหามมาเพื่อผาไม่เยติดตัวเงนแดงเยี่ยงไม่เคยมีมาเกิดเหตุใดเกิดมาเป็นมนีแล้วจึ่งผิดกันคนละมันโลกบางคนทุกยากลำบากอนาถาบางคนนม่มีจิสุขอดยายากเป็นอะไรต่อพระบุญผูนส่งให้คิดอะไรก็ถูกจังหวะทาอะไร ก็เป็นไปนถือความก้าหน่ทางเจริญถ้าดึงติสนหลนหลังเส้นเสียให้ถ่ายยังานเพี้ยนในหน้าที่การงานต่างๆฉลาดรอบรู้ในทางเสื่อมทางจเจริญหลีกเล้นสิ่งทีเสื่อมจทำตัอสิ่งที่จเจริญแต่คนที่อาภัพอาวาสนาไม่เป็ น, นอย่างนั้นเล้นทางเสื่อมว่าเป็นทางเจริญเนทาง เรือเป็นทางเชื่อเขาจึงไม่มีโอกาสเวลาที่จะมีสมบัติพัฒสถานกับเขาเพราะคิดอยากได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่มีปัญญาที่จ ะ, สะแสวงหานี่คืออำ น, นาบดาจนาของมนุษย์หากจะพูดถึงหลักของกรรมโดเรื่องเกิดมาจากกรรมคือตามจากทาเก่าก่อนและปัจจุบัน โนบันดาลให้คนผิดตันคนเราบุ่โล่เราทุกคนัวหนึ่นชนิดพิจารณาละเชื่อบาเพ็ญดีอย่าไปคิดมาเชื่อจะไม่ให้ผลเสียผลข้งสนเมื่อเราละเชื่อบำเพ็ญดีถึงเรามีเชื่ออยู่ในตัวของเรามันพยายามละมันพยายามปล่อยวางมันพยายามผ่าฐาง สิ่งที่เชื่อทีเสียนั้นให้ตกให้หายออกไปมันก็ค่อยหมดไปตกไปใจจะเบาใจจะสบายใจจะสว่างใจจะถวอยใจจะมีความสุขนี่คือตามทำความดีให้ทะลยขึ้นคุ้นขึ้นเร่องความเชื่อพยายามกำจัดปัดเต่ตตาออกไปมีเล็กมีน้อยก็ไม่ควรจะสมนลักษาวไว้กำจัดมันออกไปให้สิ้นให้หมด เม hay. Nói, ือเราใครมีน้อยมันก็ให้ท eh. ุกถ้าไมีเลยมันมีความสุขคนเดยมากมักต้มีคนอื่นอย่างนั้นอย่างนี้ในตมีตัวเองมีเองมันจปนภาะโดยเ่งกันยดอยไม่ได้ทิจงแกนาทั้งตามทั้งตน่สะสมอวมาเช่นมีตารีมีภายาต่ทุ่เทาใดีอย่างนั้นอย่างนี้ต่อใครเล่าบังคับใหเราไปเอาเขา ่งงานกับเขาเราชอบ อ, อกติดใจคนในเลกไม่นี้คที่จะชอบเข้ากับสามีของเรากับภรรยาของเราแต่เมื่อได้มาทาไมเป็นอย่างนั้นถ้าที่ตัวเลือกเอาชอบใจจริงใจเอาอล้วมาทะเลาบาเวื่องขี่กันอย่างนั้นอย่างนี้ลูกเกิดมาไปน็นเหมือนกันให้ถือหลักตรมของเราคือมันบอกไ ม, ม่นอนสอนในนี่สอนในได้ หมายถือว่าตามของเราสืบลอยดีมีแติจิตปัญญาอย่าไปถือเรื่องนั้นอื่นครับคิดเรื่องนั้นอื่นนอกจากตามไปมันจะมีมีทางสิ้นสุดยึดติให้ถ้าหากมามอบแก่ตามแล้วใจของเราจะเบาจะสบา ย, จะจะบายถ้าเรามีตามดีเรามีดีมีกุศลคนทู่ในดีตกเข้ามาในดวงของเราในกรรมดีของเราในกรรมสิทธิ์ของเรา คนนั้นเขาเคยชื่อเคยเสียจะตับตัวเป็นคนดีได้ถ้าเราดีอํานาจราษนะมีทำเขาให้ดีให้ดีเสียไปได้เหมือนกันถ้าเราเชื่อคนนั้นถึงจะดีจะดีเสียขนาดไหนตกเขนามสู่โยมกรรมของเราแทนที่มันจะรักษาความดีคงเส้นคงวามันกลับกลายหายตัวไปหมดเป็นคนเชื่อคนเสียคนเคยจิ้เหล้าพอได้มาเป็นสัง มือของเรามันก็เกิดที้เหล่าขึ้นคนไม่เคยเล่นการแค่นั้นมันก็เกิดเล่นการทค่นั้นขึ้นคนไม่เคยเหยียด้านพอมาตกฝีมือขเราก็เหยียดคานขึ้นนี่คือเรามีตํามชื่อแต่คนมีกรามดีต่อกันข้าท่านจรงสอนให้สะสมอบรมตรรมดีเอาไว้ถึงชาิปัจจุบันเรามีกรรมอย่างไรเราก็ภาวอาเห็นว่ากรรมของเราเอง ตเป็นอย่างนี้ ต, นน ต, นต่มหนต่ำหนึงคนนั้นต่ำหนงคนนี้ต่หนตัวของตัวเองเชื่อคือเราต้องการในควรทำควรูกควคิดต่อไปเพราะเชื่อนั้นจะติดในจิตในใจไปเกิดใหม่ก็จะรับช่วรับเสีย อ, อย่างนี้เราก็จะมีหิวความอายบาปอุตรตะความเกียบาปไม่กล้าทําในถือแอจ้งผีดับนี่ทำสอนเราหูใจเจ้า ขอคนให้รักเชื่อดำเพ็ญดีไทยระพึปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนนั้นก็นับวันนับเวลาจะเจริญต่างหน้าไปในความสุขความสบายเกิดใน่พบใดชาติใดดินขี้เหวี้ตนทําไวจะเจะสูงเสียให้มีความสุขตายสุขใจตามความนิ่งาน้าศถนาเกิดนั้นขอทุกท่านเมื่อเลยระดับแล้วต่างทาง อย่างอธิบายมาเพื่านไปพิมิตพิเจนะละเชื่อบำเพ็ญดีต่อแต่นั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญในพระบวรพุทธศาสตรศาสนาการอธิบายธรรมะจิ่งถึงแบบ้องมควรเจรยญเวลาขอจุติเร่องนี้